พวกเราทุกคนที่มาเกิดอยู่ในโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันทุกคนสิ่งนั้นก็คือเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทำ การกระทำก็มีอยู่สามทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมและทางใจเรียกว่ามนโนกรรมการกระทำก็ทำได้สแบบด้วยกันคือทำบุญทำบาป และการกระทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและเป็นบาปมีสามแบบด้วยกันการทำบุญคือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าทำบุญการกระทำบาป ก็การกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายผู้อื่นเดือดร้อนผู้อื่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าบาปและการกระทําที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการกระทําที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษให้แก่ผู้อื่นนี่คือ การกระทําที่เราทํากันอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับเราจะมีการกระทำสามทางทางกายทางวาจาทางใจและเราจะทําบุญบ้างทําบาบ้างทำไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างสลับกันไป แล้วพอเราทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาที่ตัวเราที่ใจของเราเวลาเราทำบุญเราก็จะมีความสุขใจเย็นใจสบายใจเวลาเราทำบาปเราก็จะมีความไม่สบายใจมีความร้อนใจเวลาที่เราทำ สิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือการกระทาที่เราทำกันอยู่ทุกวันส่วนใหญ่เราก็จะทำการกระทาแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่นการดูแลร่างกายของเรา เวลาเราตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับประทานอาหารนี่ก็เป็นการกระทาอย่างหนึ่งแต่เป็นการกระทาที่ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษแก่ผู้อื่นเป็นการกระทาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ นี่คือกรรมที่เราทํากันเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวันเพราะเราต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราเราต้องไปทํางานทําการไปหาปัจจัยสี่ไปหาอาหารไปหายารักษาโรคไปหาเครื่องนุ่งหม่มไปหาที่อยู่อาศัยเพราะร่างกายเรานี่ขาดปัดจจัยสี่ไม่ได้ ถ้าขาดปัจจัยสีร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดถึงแก่ความตายได้เราจึงทำกรรมที่เป็นกลางคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นหลักและในเวลาที่เราไปหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายเรา เราก็อาจจะไปทำบาปได้ถ้าเราไม่สามารถหาปัจจัยสี่ด้วยวิธีไม่ทำบาปเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเช่นถ้าเราหาเงินไม่ได้ทำงานไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้เราก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปขโมยเงินของผู้อื่น พอเราไปขโมยเงินของผู้อื่นเราก็ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่เราก็เรียกการเราก็เรียกการกระทานี้ว่าเป็นการกระทาบาปพอเราทาบาปแล้วถึงแม้เราจะได้เงินมาเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายแต่ใจเรานี่จะ การความไม่สบายใจขึ้นมาการความวิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมากลัวจะถูกจับไปลงโทษอันนี้ก็อาจจะทำให้เราไปทำบาปเพราะเราคิดว่าเราต้องเอาตัวรอดเราต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราเมื่อเราไม่มีอาหารเราก็อา จ, จะต้องไปขโมยอาหารมารับประทาน เพอจะได้ไม่ตายไม่อดตายเราก็เลยต้องไปทำบาปถ้าเราไม่ต้องทำบาปถ้าเราทำมาหากินมีงานดีมีรายได้ดีเรามีเงินเหลือเผื่อเหลือใช้เราก็อาจจะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเรามีความสงสาร เราก็อาจจะเอาเงินส่วนหนึ่งของเราไปช่วยเหลือเขาถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าเราก็ได้ทำบุญพอเราได้ทำบุญแล้วเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจปรากฏขึ้นมาในใจทันทีนี่คือผลของบุญผลของบาป ผลของการกระทำที่เราทำกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปเราจะทำกรรมสามประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมแบบกลางๆคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อน แต่ก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเขามีความสุขได้รับประโยชน์เพราะเราต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราเราก็จะทำกรรมประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยาก เราอยากจะช่วยเหลือเขาเราก็แบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ไปให้กับเขาทำให้เขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการให้ของเราเราก็จะได้ทำบุญหรือว่าถ้าเราบางเวลาไปทำอะไรกับใครแล้ว เ, เกิดความโกรธขึ้นมา คนทำให้เราไม่พอใจหรือทำให้เราเสียหายเราก็อาจจะไปทําร้ายเขาหรือไปด่าว่าเขาด้วยวาจาที่หยาบคายหรือหรือการหรือพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เป็นการกระทําบาปพอเราทําบาปแล้วเราก็จะ มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยนี่แหละคือผลของบุญของบาปเกิดขึ้นทันทีทันใดเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำบุญหรือทำบาปไปแล้วอันนี้เป็นผลส่วนที่หนึ่งแต่ยังมีผลส่วนที่สองที่ตามมาต่อไปส่วนที่สองก็คือเวลาที่เรานอ น, อนหลับ เวลาที่เรานอนหลับบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้าย <Yeah. S 1> การฝันดีก็เกิดจากการทำความดีของเราการทำการทำบุญของเราในขณะที่เราตื่น <Yeah. S 1> พอเวลาเรานอ น, อนหลับ <Yeah. S 1> บุญที่เราทำนี้ก็จะทำให้เราฝันดีทำให้เรา อยู่ในเหตุการณ์ที่ดีพบกับเรื่องที่ดีเรื่องที่มีแต่ความสุขความสบายใจถ้าเราฝันร้ายก็เป็นผลของบาปที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายได้แต่มันก็เป็นการรับผลบุญผลบาปชั่วขณะที่เรานอนหลับ แล้วถ้าเราตายไปก็เหมือนกับเรานอนหลับยาวนอนหลับนานเราก็จะฝันฝันดีฝันร้ายไปเป็นเวลาอันยาวนานอันนี้ก็เป็นผลบุญที่เกิดจากเป็นผลของกรรมที่เกิดจากหลังจากที่เราตายไปแล้วพอเราตายไปแล้วบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะทำให้เราฝันดีได้ไปพบกับเหตุการณ์ที่ดีทําให้ใจเรามีความสุขเราก็เรียกความฝันนี้ว่าสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายฝันแต่เรื่องที่ทําให้เราหวาดกลัววุ่นวายใจทุกข์ใจกังวลใจเกิดความเสีย อ, อกเสียใจ ไปกับเหตุการณ์ต่างๆในฝันก็เท่ากับเร า, เาไปอบายนั่นเองนี่แหละคือสวรรค์หรือนรกหรืออบายในขณะที่เราไม่มีร่างกายแล้วแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่กับใจแล้วเราก็ให้บุญหรือบาปที่เราทำนี้ ผลิตเรื่องราวต่างๆให้เราได้สัมผัสรับรู้นี่แหละคือผลของบุญของบาปที่เราทำกันไว้จะทำบุญหรือจะทำบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญนั้นถ้าทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปในอบาย บางทีเราก็ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีเป็นการกระ ท, ทารระ ท, ที่จะทำให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราก็เช่นเวลาเราทำมาหากินแล้วเราเห็นว่า เราต้องดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้าเราต้องทำบาปเราก็ต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำบาปเราก็อาจจะอดตายได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราไปทำบาปเราก็คิดแบบสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่เขาก็คิดแบบนี้กัน <c oughs> เขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง <c oughs> ดูแลชีวิตของเขาด้วยการทำบาป ด้วยการฆ่าผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นอาหารถ้าเราทาแบบนี้ก็เท่ากับเราได้เป็นเดรัจฉานใจของเราได้กลายไปเป็นเดรัจฉานแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นมนุษย์นี้เราจะไม่ทําบาปมนุษย์นี้ไม่ทําบาปถ้าทำบาปนี้ด้วยความหลงก็จะไป กายไปเป็นเดรัจฉานวเวลาไปเกิดมีร่างกายอันใหม่ก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเช่นได้ร่างกายของแมวของสุนัขของนกของอะไรต่างๆของสัตว์4เท้าอันนี้ก็เรียกว่าไปเกิดในอบายหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วอบายนอกจากเดรัจฉานแล้วก็ยังมีเปรต มีอสูรกายและมีสัตว์นรกผู้ที่จะไปเป็นเปรตก็คือผู้ที่ทําบาปด้วยความโลภคืออยากได้อะไรมากๆอยากได้เงินทองมากๆ ก, ก็เลยต้องทําบาปถ้าไม่ทํำบาปแล้วจะไม่ได้เงินทองมากๆเช่นไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวง หรือทำอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้มีรายได้มากๆอันนี้ทำบาปด้วยความโลภเขเรียกว่าใจก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็จะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้มีแต่ความหิวโหยได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอหิวอยู่ตลอดเวลา ทุกข์กับความหิวทุกข์กับความโลภนีค่คือสภาพของใจที่หลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วใจก็จะฝันร้ายฝันว่าอดอยากขาดแคลนหาอะไรได้อะไรมาได้มากได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอต้องดิ้นรนหาอยู่เรื่อยอันนี้คือสภาพของจิตใจที่เป็นเปรต แล้วถ้าเราไปทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวมดกลัวแมลงก็เลยไปฆ่าเขาอันนี้ฆ่าด้วยความกลัวจิตใจก็จะไปเป็นอสุรกายอสุรกายก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้มีแต่ความหวาดกลัวต่างๆ เกิดขึ้นในใจส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธเกลียดพวกนี้ก็จ ะ, ะไปนรกใจจะมีแต่ความรุ่มร้อนร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทหาความสุขไม่ได้ นี่คือลักษณะของผลของบาป ท, ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทําไปแล้วทั้งที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วเวลามีชีวิตอยู่เวลาตื่นใจก็ไม่สบายใจก็จะหวาดกลัววิตกกังวลหรือหิวโหย แล้วเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายแล้วเวลาตายไปก็จะฝันร้ายฝันยาวไปจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาจากความฝันของความฝันร้ายนี้นี่คือเรื่องของผลของบาปที่เรากระทํากัน ถ้าเราไม่ได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบาปเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราที่ไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำบาปทำบุญหรือทำในสิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปผู้ที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผ ล, ลบาปก็คือใจผู้สั่งผู้รู้ผู้คิดนี้เองอรับผลตั้งแต่ยังไม่ได้ตายพอทำไปแล้วใจก็จะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและเวลานอนหลับก็จะฝันดีหรือจะฝันร้าย และเวลาตายก็จะฝันดีฝันร้ายไปเป็นเวลาอันยาวนานไปจนกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่จึงจะตื่นขึ้นมาดัางนั้นความตายจึงเป็นการนอนหลับแบบยาวนานเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่ต่างกับการนอนหลับที่เรานอนหลับกันทุกวัน เวลาเรานอนหลับนี่แล้วก็เหมือนกับเราตายเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายไปชั่วครู่หนึ่งชั่วระยะหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงเราปล่อยให้ร่างกายนอนตายไปส่วนเราใจก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปด้วยการไปฝันอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆฝันฝันกับเหตุการณ์ที่ดีหรือฝันเหตุกับกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี แล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาที่ร่างกายเพื่อจะใช้ร่างกายให้ไปทำบุญทำบาปต่อแล้วถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็จะหลับยาวเพราะใจเวลาไม่มีร่างกายก็เหมือนกับตอนที่นอนหลับนะเราจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ต่อเมื่อได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายของมนุษย์ ด้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเติ่ขึ้นมาใหม่พอเราได้ร่างกายของมนุษย์เราก็จะเติ่ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาเริ่มมาทําบุญทําบาปใหม่มาทําเลี้ยงดูร่างกายของเราใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับ พระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพา้าอริยสงสาวกที่จะมาสอนให้เรารู้ว่าทำไมเราจึงยังต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อ ย, อยทำไมเราจึงต้องมาทำบุญทำบาปกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าเรามีเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันเหตุนั้นก็คือตัณหาความอยาก ตัณหาความอยากที่เป็นเหตุที่ทําให้เรามาเกิดนี้มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากามตัณหาความอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะต่างๆอยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิ่นเช่นเวล า, ลาเราอยากจะออกไปนอกบ้านนี้ก็เป็นเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากไปดูมหรศพไปดูบันเทิงอะไรต่างๆหรืออยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานเครื่องดื่มรับประทานอาหารต่างๆอันนี้เรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาแล้วความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่เช่นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วความอยากกลุ่มที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากไม่มีเช่นอยากไม่เจ็บ ใค้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนนั้นคนนี้เขาด่าเราดูถูกดูแคลนเราอันนี้เรียกว่าวิภวทัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเรามีความอยากทั้งสามอยู่ภายในใจนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเกิดเรื่อย าะเราจำเป็นจะต้องมีร่างกายเพื่อเราจะได้ทำตามความอยากต่างๆได้ทำตามความอยากทางตาหูจมูกดิ้นกายทำตามความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นได้แล้วเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาทำตามความอยากถ้าเราทำได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปเราก็ทำไป แต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะต้องไปทำบาปกันเมื่อเราได้ทำบาปเราก็จะต้องไปรับผลบาปถ้าเราไม่ได้ทำบาปแต่เราได้ทำบุญเช่นเรามีความสามารถที่จะหารายได้ได้มากกว่ารายจ่ายเราก็จะมีเงินทองเหลือใช้เราก็อาจจะเอาไปทำบุญ เราทาบุญเราก็จะได้บุญได้ความสุขได้ไปสวรรค์สวรรค์ก็คือการนอนหลับฝันดีนี่เองเวลาเราไม่มีร่างกายใจเราก็จะฝันแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้ใจเรามีแต่ความสุขเช่นฝันว่าเราได้ไปเที่ยวสถานที่นั้นสถานที่นี้ได้พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, ง น, น, งนี้มาตามความอยากของเราทุกประการ อันนี้ก็เรียกว่ า, าไปสวรรค์คือได้ไปนอนได้ไปฝันดีในขณะที่เราไม่มีร่างกายแต่แต่การที่เร า, าต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีส่วนดีก็มีน้อยก็คือเมื่อเรามาเกิดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำ แล้วพอเราได้ทำเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวเช่นเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขและพอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกถ้าเราอยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปทีนี้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จาม ไม่สามารถทำตามความอยากได้เช่นเวลาเราไม่มีเงินทองเราอยากไปเที่ยวเราก็จะไปไม่ได้หรือถ้าร่างกายเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายเราแก่ <c oughs> เราก็จะไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ <c oughs> <c oughs> ดังนั้น คนที่เห็นว่าการมาเกิดนี่ไม่ดีก็จะคิดหาวิธีที่จะทำยังไงไม่ให้กลับมาเกิดจะดีกว่าคนที่พบวิธีที่ทำให้ไม่ไม่มาเกิดเป็นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ท่านได้เกิดเป็นเจ้าชาย ท่านเกิดมาแล้วท่านก็ไม่ต้องทำบาปท่านมีเงินมีทองสำหรับหาความสุขได้อย่างสบายแต่ท่านก็ยังมีความทุกข์กับร่างกายของท่านอยู่ท่านเห็นว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายใะเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ก็เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากจึงไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกัน mm hmm. แต่ก็ไม่มีใครที่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเกิดแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันด้วยทุกคนพ mm hmm. ระพุทธเจ้าจึง หาไปศึกษาหาวิธีจากผู้รู้เช่นนักบวชทั้งหลายด้วยการไปบวชอยู่กับนักบวชที่เป็นผู้ที่พยายามหาวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหาวิธีที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างถาวรรู้จักวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ชั่วครู่หนึ่งช่วขณะหนึ่งก็คือการทำใจให้สงบการเข้าสมาธินักบวชในสมัยพุทธกาลนี้เขารู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราใจสงบ ความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เกี่ยวกับการพัดพรากจากการละกันก็จะหายไปชั่วคราวจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่พอออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรับรู้กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ใจโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิได้พระพุทธเจ้าอยากจะดับความทุกข์ใจอย่างถาวรไม่ได้ยดไม่ไม่ได้ดับแบบชั่วคราวแบบสมาธิจึงไปทดลองค้นคว้าหาดูหาเหตุว่าอะไรทําให้ใจของพระองค์ถึงต้องมาทุกข์กับ ร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าก็เพราะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวของพระองค์แล้วก็ไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่นานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดความหลงเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พระ อ, องค์ก็เลยเก่ดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอพระ อ, องค์มองถึงร่างกายของคนอื่นพระ อ, องค์กลับไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายพระ อ, องค์ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะพระองค์ไม่ได้ไปถือว่าเป็นร่างกายของพระ อ, องค์นั่นเองเมื่อทรงได้เปรียบเทียบแล้วก็ทรงเห็นว่าร่างกายของพระ อ, องค์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของพระ อ, องค์ เพราะร่างกายของพระองค์นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลายเป็นดินน้ําหลมไฟไปจึงได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของพระองค์ไม่ได้เป็นอเป็นของดินน้ําหลมไฟทำมาจากดินน้ําหลมไฟเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอันนิจัง เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวเราของเราเป็นของดินน้ํำลมไฟเพราะร่างกายนี้ทํามาจากดินน้ํำลมไฟดินน้ําลมไฟมาในลักษณะไหนก็มากับอาหารที่เรารับประทานนี่แหละอาหารที่เรากินนี้ก็จะมีธาตุดินธาตุน้ำํำปนกันก็ามา เนื้ข้าวนี่ก็ทํามาจากดินผักก็ทํามาจากดินเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากผักกับข้าวนี่เองสัตว์ก็ต้องกินผักกินหญ้าเมื่อกินผักกินหญ้าเข้าไปในร่างกายของสัตว์เช่นวัวควายมันก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหนังมังสาขึ้นมาแล้วเราก็เอาเนื้อหนังมังสาของวัวของควายมารับประทาน ก็เท่ากับเอาธาตุดินเข้ามาสู่ร่างกายของเราเวลาเรารับประทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุดินมีมีธาตุน้ำผสมมาด้วยเช่นมีน้ำแกงมีสิ่งที่เป็นของเหลวนี่เราก็เรียกว่าธาตุน้านอกจากธาตุน้ำที่เรามากับอาหารแล้วเราก็ยังต้องดื่มน้ำกันเพราะเราได้ธาตุน้ำจากอาหารไม่พอ เราก็เลยต้องดื่มน้ำกันอยู่เรื่อยๆเครื่องดื่มที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ำทั้งนั้นเราเอาธาตุดินเข้ามาเอาธาตุน้ำเข้ามาผ่านทางอาหารผ่านทางเครื่องดื่มต่างๆแล้วเราก็เอาธาตุลมผ่านเข้ามาทางลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าเราก็เอาลมเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนเอารมเก่าออกมาหายใจออกมาลม ก็เข้าไปในร่างกายร่างกายก็เข้าไปน้ําก็เข้าไปในร่างกายดินก็เข้าไปในร่างกายธาตุไฟเราก็ได้จากความร้อนของแสงอาทิตย์นยพอเราได้ธาตุทั้งสี่เข้าไปรวมกันในร่างกายมันก็ไปผลิตชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายก็คือไปผลิตอวัยวะต่างๆไปผลิตผมขนและฟันขึ้นมา ผมเราก็เลยยาวขึ้นมาผมเรล่านี้ก็เหมือนต้นหญ้าใช่ ไ, ไเวลาย้าได้น้ำได้ไฟได้ดินมันก็งอกงามขึ้นมาผมเราที่อยู่บนศรีศรษะเหล่านี้ก็เป็นเหมือนต้นหญ้าพอเราให้น้ำให้ให้ดินให้ไฟให้ลมมันมันก็งอกงามขึ้นมาเอาวิยวยาต่างๆร่างกายส่วนต่างๆมันก็จะริญเติบโตขึ้นมา ด้วยธาตุทั้งสี่นี่รือเด่นน้ำหนอนไฟแต่ธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันที่ทำให้เกิดเป็นอาการสามสิบสองในร่างกายนี้มันก็จะอยู่ร่วมกันไม่นานมันจะอยู่ร่วมกันได้ระยะหนึ่งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีมันก็จะเกิดความแตกสามัคคีกันมันจะแยกออกจากกันพอธาน สังสนี้เริ่มแยกออกจากกันร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มแก่ลงไปผิวก็จะเริ่มเหี่ยวผมก็จะเริ่มงอกผมก็จะร่วงอวัยวะต่างๆก็จะค่อยอ่อนกําลังลงไปไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ในที่สุดมันก็จะหยุดทํางานพอร่างกายหยุดทํางานหยุดหายใจหยุดเอาอาหารเข้าไป หยุดดืมน้ำทีนี้มันก็มีแต่จะแยกธาตุกันแล้วธาตุดินก็ธาตุน้าก็จะไหลออกจากร่างกายธาตุไฟก็จะออกจากร่างกายธาตุลมก็จะเอาออกจากร่างกายทิ้งร่างกายไว้เดี๋ยวมันก็จะเหลือแต่ธาตุดินมันก็จะผุจะพังกายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาร่างกายของพระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของพระพุทธเจ้าตัวของพระพุทธเจ้าก็คือใจผู้รู้ผู้คิดที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวของพระองค์ก็เลยทำให้อยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจพระองค์ก็เลยท่งค้นพบพระอริยสัจสี่ คือสงคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากนี้เองเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดจากความ อ, อยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แล้วพอไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่สบายใจถ้าไม่อยากจะมีความไม่สบายใจอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องละความอยาก ถ้าละความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับอร่างกายกับสิ่งต่างๆเพราะจะไม่ได้มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่มีความอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเมื่อไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้นี้จะเดือดร้อนะ พระพุทธเจ้าก็เลยสงคนพบว่าความทุกข์ของใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี้เองแลนะการที่เรามาเกิดก็เกิดจากความอยากนี้เหมือนกันแลนะการที่เราไปทำบาปก็เกิดจากการที่เรามีความอยากถ้าเรามีความอยากได้อะไรมากๆแล้วถ้าเราไม่สามารถหามาได้โดยไม่ได้ทำบาปเราก็ต้องหามาโดยวิธีทำบาป นี่คือเป็นที่มาที่ไปของการที่เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทำบาปกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังมีความอยากกันอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราได้รู้ความจริงว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเรา การกระทำบาปต่างๆก็เกิดจากการเกิดจากความอยากของพวกเราเราก็มาหยุดความอยากกันวิธีที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมี เ, เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความอยากไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีการกระทำบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดี แะเหตุที่ทําให้เราต้องมาทําสิ่งที่ไม่ดีทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เพราะใจเราไม่มีกําลังพอถ้าเป็นร่างกายก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก่อนที่จะมีเลี้ยวมีแรงนี้ก็ต้องไปเสริมอาหารกินอาหารเพิ่ม อาหารกินให้มากขึ้นทําให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นแล้วก็ต้องไปออกกําลังกายหัดยกน้ําหนักทําอะไรต่างๆร่างกายถึงจะมีกําลังขึ้นมาได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นใจที่สู้พร้อมใจที่อ่อนแอยังขาดกําลังที่จะมาสู้กับความอยากได้ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้ การที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้เราต้องเสริมพลังให้แก่ใจสิ่งที่จะมาเป็นพลังให้แก่ใจก็คือการทาตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเสริมพลังให้กับใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือเป็นวิธีสร้างกําลังให้กับใจ เพื่อใจจะได้มาหยุดความอยากต่างๆหยุดการกระทำบาปต่างๆได้เมื่อเราหยุดการกระทำบาปหยุดการหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงปฏิบัติ ด, ด้วยตนเอง ทรงหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในพระทยของพระองค์ได้หมดสิ้นไปจึงทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่พระองค์ไม่ได้สูญหายไปไหนใจของพระองค์ก็ยังอยู่เหมือนกับตอนที่มีร่างกายต่างกันที่ตอนตอนนี้ไม่มีร่างกายแล้ว พอทรงเห็นด้วยปัญญาว่าและมีการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขมีร่างกายแล้วจะต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมาทุกข์กับการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆด้วยร่างกายพอหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็มีแต่ความสุขไปตลอด ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราต่างกันตรงที่ใจของพวกเรานี้ยังวุ่นวายยังทุกข์กันอยู่ทุกข์กับความอยากต่างๆทุกข์กับความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะทุกข์กับความอยากมีอยากเป็นทุกข์กับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าพวกเราไม่อยากจะทุกข์อยากจะสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยากจะพ้นทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้า เราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำได้ทรงมาสอนให้พวกเรากระทำกันก็คือให้เราทำทานทำบุญให้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอย่าไปเพื่งทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่าไปทำบาปเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้และให้มาภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบ พอใจสงบมีความสุขแล้วก็สอนใจให้รู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการทําให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายทําให้ต้องไปพบกับความทุกข์ต่างๆถ้าเราปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทํากันก็คือมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เราจละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เอาไว้เท่าที่จําเป็นให้มีไว้ใช้เท่าที่จําเป็นอย่าเอาเงินทองนี้ไปใช้ตามความอยากเพราะการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยาก จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองเราต้องหยุดหยุดความอยากด้วยการทำทานเวลาเอาเงินจะเอาเงินไปเที่ยวตามความอยากไปซื้อของตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานถ้าเราทาได้ทุกครั้งต่อไปความอยากจะใช้ความอยากจะใช้เงินไปไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากมันก็จะหายไปหมดไป ก็จะทำให้เราไปปฏิบัติธรรมที่สูงต่อไปได้คือขั้นศีลขั้นภาวนาถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราต้องไปรักษาศีลของนักบวชกันคือต้องไปถือศีลแปดเพื่อเราจะได้หยุดทำกิจกรรมต่างๆตามความอยากศีลแปดนี้จะห้ามแม่เราทา ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นร่วมหลับนอนกันหรือรับประทานอาหารมากเกินไปนอนมากเกินไปไปเที่ยวไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆจากมหมหลศพต่างๆหาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากกามตัณหา คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบเพื่อให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปทำตามความอยากเราก็ต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้หรือเราก็ต้องมาถือศีลแปดกันแล้วเราจะได้มีเวลาที่จะมาควบคุมใจ ควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดให้หยุดอยากเพราะเวลาเราควบคุมเราเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจเราจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปทำตามความอยากอยากการไปเที่ยวจากการไปดูมหัศจรรยบันเทิงอะไรต่างๆความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันดีกว่า มันก็จะทำให้เราเลิกความอยากได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ความอยากมีอยากเป็นได้ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าถ้าเราไปทำตามความอยากเราได้ความสุขชั่วคราวแต่เราจะติดเราจะอยากไปเรื่อยๆเวลาร่างกายนี้ตายไป ความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไปทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราไม่ทำ kind of ตามที่มันอยากเหน๋ยวความอยากมันก็หายไปเนเช่นคนที่เล water, ิกสูบบุหรี่ได้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากสูบบุหรี่ เขาก็ไม่สูบบุหรี่เขาก็ฝืนยามทนกับความทรมานใจชั่วคราวพอความอยากมันหมดกำลังลงความทรมานใจก็หายไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะสูบบุหรี่แต่ถ้าเรามีสมาธินี้เราจะทนสู้กับความอยากได้อย่างไม่ทรมานใจพอเวลาเราเกิดความอยากแล้วถ้าใจเราไม่สบาย เกิดความทรมานใจเราสามารถหยุดความทรมานใจได้เพราะเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้พอเราทําใจให้สงบได้ความทรมานใจมันก็จะหายไปมันก็จะทําให้เรานีิสู้กับความอยากได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็สู้กับมันได้สู้ด้วยความสงบทําใจให้สงบความทุกข์ความทรมานใจก็จะหายไป ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจาก ใ, ใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเรามีความอยากไปเที่ยวถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกทรมานใจไหมถ้าเราอยากจะไปทำอะไรแล้วเราไม่ได้ทำเราจะรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็อยู่เฉยๆได้ อยู่บ้านเฉยๆได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจอยู่เป็นสุขใจมีความสุขสุขเพราะว่าไม่มีอะไรมาลังควานใจนั่นเองสิ่งที่มาลังควานใจมาสร้างความทุกข์ความทรมานใจก็คือความอยากต่างๆนี้เองแต่ถ้าเรามีวิธีทำให้ความอยากมันหยุดได้ไม่ไปทำต า, ตามความอยากได้ ความอยากก็จะไม่สร้างความทรมานใจสิ่งที่จะทำให้ใจเราไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากก็คือสตินี่เองเราจึงต้องมาฝึกสติกันที่ต้องมาถือศีลแปดกันเพื่อเราจะได้มีเวลาไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วจะได้มาทำกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวก็คือการเจริญสติกับการนั่งสมาธิการจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อน เพราะถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะฟุ้งซ่านใจจะรู้สึกทรมานอึดอัดจะไม่อยากจะนั่งนั่งได้เดี๋ยวเดียวก็ต้องลุกไปแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้เวลานั่งสมาธิจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกทรมานจะนั่งอย่างมีความสุขดังนั้นเราจึงต้องมีเวลามาฝึกสติกันสติคืออะไร สติก็คือการหยุดความคิดนี่เองถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติถ้าเราอยากจะมีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันในตาําราท่านก็แสดงไว้ถึง40วิธีเครื่องมือที่จะสร้างสติเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้คือเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างสติ เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการสร้างสติได้เราเรียกรมบริกรรมพุทโธนี้ว่าพุทธานุสติคือให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าให้เราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเพียงคำเดียวนี่แหละเช่นเราให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ เราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่มีความอยากความหงุดหงิดความทรมานใจก็จะไม่เกิดความเบาใจความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนนี่คือการฝึกสติเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย ถ้าจะคิดก็ต้องคิดกับเรื่องที่จำเป็นจริงๆเช่นคิดกับเรื่องที่เกี่ยวกับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องทรมาหากินแต่อย่าปล่อยให้มันไปคิดไปตามความอยากเที่ยว อ, อยากเล่นอยากดูอยากฟังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องอย่าให้มันคิดไปทา ง, ทางนั้นให้มันคิดแต่เฉพาะเรื่องที่จาเป็น เรื่องปการไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องคิดแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะเราเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงินได้ทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาที่เราไปทําเราก็อย่าไปคิดอะไรเวลาเราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดมันจะคิดเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้สู้กับมันหยุดมันไป ถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราควบคุมความคิดได้เวลาเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็จะสามารถทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบพอใจนิ่งใจสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ทำให้เรามีความอิ่มมีความพอไม่มีความต้องการที่จะไป มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เลือกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วเวลาพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากไปเที่ยวเราก็ใช้สติหยุดมันได้พอมันจะคิดไปเที่ยวเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปมันก็จะไม่สามารถไปพาเราไปเที่ยวได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พร้อมดความอยากแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องพุทโธก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแล้วไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ความทรมารใจให้กับเราสิ่งที่มาสร้างก็คือความอยากทั้งสามประการนี้คือกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่มันจะถูกสติถูกปัญญานี่ทาลายไปหมดปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าการทําตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขการทําตามความอยากนี้จะดาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดจะต้องพาเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย เราจึงต้องไม่ทำตามความอยากและเราก็ใช้สติหยุดมันเวลาเกิดความอยากไม่ไปทำตามความอยาก <c oughs> ถ้าเรามีสติมีปัญญาควบคู่กับใจตลอดเวลาความอยากจะไม่สามารถมาโผล่ขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาก็จะถูกสติปัญญาทำลายทันที <c oughs> จนในที่สุดมันก็จะไม่มีความอยาก หลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากเหลือแล้วการที่จะไปเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไปใจก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจที่มีความสงบนี้เรียกว่านิพานนิพานังปรามังสุขขังคือใจที่มีความสงบนี้จะมี จะมีความสุขมากเรียกว่าบร ม, มสุขใจที่มีความสุขมากก็เพราะว่าไม่มีความอยากมาก่อกวนใจนั่นเองเพราะความอยากต่างๆได้ถูกกำจัดด้วยสติด้วยปัญญาที่เกิดจากการภาวนาการจะภาวนาได้ก็จะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนการจะมามีศีลมาภาวนาได้ก็ต้องยุติการหาเงินใช้เงินเป็นเครื่องมือ หาความสุขนะผู้ที่มาบวชนี้ก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเพราะไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆเอาเวลามาสร้างเครื่องมือใหม่สร้างความสุขแบบใหม่สร้างความสุขที่เกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาคือคอยสอนใจให้ฉลาด ให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ไม่ควรทำตามความอยากทำแล้วจะทำให้มีแต่ความทุกข์แล้วความอยากก็จะไม่หมดทำแล้วก็จะมีความอยากใหม่โผล่มาเรื่อยๆพอร่างกายตายไปความอยากที่ยังมีอยู่ในใจก็จะพาเราไปเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย พอเรารู้ด้วยปัญญาแล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็จะไม่ทำตามมันเราก็จะใช้สติหยุดมันพอมีสติเราก็จะหยุดความอยากได้ความอยากก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับเราได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่กันในขณะนี้ท่านอยู่โดยไม่ต้องมีร่างกาย ท่านอยู่โดยไม่ต้องทําตามความอยากใจของท่านจึงมีแต่บรลมบสุขใจของพวกเราถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งใจของเราก็จะมีความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันปัจจัยของพุทธเจ้าตอนต้นก็มีความอยากเหมือนกับเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ แต่พพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านก็สามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เต็มที่เราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําจัดแล้วเราก็จะได้รับ ความสุขที่เรียกว่าบัลลังสุขเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนับอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องของการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมมารู้เรื่องของกรรมเรื่องของการกระทําของเราที่พาให้เราต้องไปรับผลบุญผลบาปรู้เรื่องเหตุที่ทําให้เราต้องมากระทํากรรมกันก็คือกอนตั้นหาความอยากต่างๆ รู้วิธีที่จะกำจัดตัญหาต่างๆที่หมดที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอเรากำจัดได้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะสบายเราก็จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของกรรมเรื่องของตัญหาความอยากเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิทิตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโตปนาหราโสยะถามณิโชติ so ขระโสยธัพพีติโยวิวชัชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภะอธิวาทานสิลิสะนิจังอุทธาปจายโนจตารโธรมมวัานติอายุวันโอสุขัง า, าออ่ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันหลังจากเลิกแล้วต้องขออนุญาตงดถามงดตอบปัญหาถ้าใครไม่อยากจะถามเองจะเขียนข้อความมาถามก็ได้ะ วันนี้ทางเฟซบุ๊กมีเท่าไหร่วันนี้เฟ e บุ๊กเข้ามาทั้งหมด360คนครับ YouTube ทั้งหมด107คนและก็เลดีโอทั้งหมด12คนครับผมเกือบ500 <c oughs> บนนี้185เข้าบนนี้185ครับคาถามแรกจากบนขาวนะครับจากคุณออยครับพ่อบวชเป็นครับเป็นพระยังไม่ถึงครรษา ท่านฝากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตสงบอยู่กับพุโทโธก็มีความสุขสบายทั้งวันบางวันก็นั่งเฉยๆไม่คิดอะไรจิตสงบแต่รู้สึกว่าไม่มีการพัฒนาการปฏิบัติไม่เดินหน้าและท่านก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปจึงได้แต่ปล่อยให้มันว่างอย่างเดียวขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะขัออ้นต่อไปก็ต้องไปฝึกทางปัญญาต้องไปฝึกปล่อยวางร่างกาย ตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยวางร่างกายยังไม่ได้ปล่อยวางความเจ็บทุกขเวทนาในขั้นต่อไปเราต้องไปทําข้อสอบคือไปทาข้อไปพบกับความเจ็บเช่นนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าลุกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิควบคุมใจให้อยู่กับความเจ็บให้ได้ให้ทําใจให้เป็นอุเบกขา ให้พิจารณาว่าความเจ็บนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาตัวเป็นปัญหาคือความอยากหายเจ็บตัวความอยากหายเจ็บนี้ที่ทําให้ใจทรมานทําให้ใจทนกับความเจ็บไม่ได้ถ้าเราหยุดความอยากหายเจ็บได้เช่นใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลามันเจ็บเวลามันอยากจะหายเจ็บก็พุโทโธพุทโธไปอย่ายให้มันอยากหายพอมันไม่มีโอกาสจะอยากหายมั น, นก็จะอยู่กับความเจ็บได้ะ อันนี้ก็ต้องเป็นขั้นของปัญญาคือสู้กับความทุกขเวทนาสู้กับทุกขเวทนาได้ก็ต้องสู้กับความตายก็ต้องไปหาที่เรากลัวกลัวตายที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นแล้วก็ไปพิจารณาร่างกายเหมือนกับพิจารณาเวทน า, า, ว, นาว่ามันก็ไม่เที่ยงร่างกายมันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะตายเราหยุดมันไม่ได้ แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ที่ทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่ตายถ้าเราปล่อยให้มันตายได้ยอมให้มันตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันก็ทำแบบเดียวกับเวทนาเวลาเจอสิ่งที่น่ากลัวที่ว่าจะทำให้เราตายแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดความอยากอยากไม่ตายให้ได้ปล่อยให้มันตายยอมตายพอยอมตายได้มันก็จะหายทุกข์แล้วจิตจะมีพลังมากกว่าที่ได้จากสมาธิจะมีความสุขมากกว่า น, นี่คือขั้นปัญญาหลังจากได้มีสมาธิมีสติทําใจให้ว่างได้ทําใจให้สงบได้ขั้นต่อไปก็ต้องเอาใจที่สงบนี้ไปเจอกับความเจ็บแล้วดูว่ารักษาความสงบได้ต่อไปหรือเปล่าไปเจอความตายแล้วดูว่ารักษาใจรักษาความสงบนี้ได้เปล่าถ้ารักษาความสงบได้เวลาเจอความเจ็บเวลาเจอความตายใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บกับความตายตามข้อต่อไปจากบนข่าวนะครับ การดูจิตดูอย่างไรดูแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรคือก่อนจะดูจิตได้แล้วต้องหยุดจิตให้เป็นก่อนถ้าหยุดจิตไม่เป็นอย่าไปดูให้เสียเวลาเห <c oughs> มือนก่อนจะขับรถนี่ต้องอาจหยุดหยุดขับรถให้ได้ก่อน <c oughs> ถึงจะค่อยเข้าไปขับรถถ้ารู้ว่ารถนี้หยุดไม่ได้อย่าไปขับก่ <c oughs> อนจะขับรถนี่แล้วก่อนจะออกนี่เราต้องเช็คเบรกก่อน <c oughs> ใช่ไหมว่ารถนี้เบรกได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเบรกรถไม่ได้อย่าไปขับ คับถึงแม้จะเฝ้าดูขับมันยังไงถึงเวลาจะเบรคมันก็เบรกไม่ได้มันก็ไปชนกันการดูจิตก็เหมือนกับการขับรถ ด, ดูจิตเพื่อจิตมันขับไปในทางอย่าให้มันตกออกนอกนอกลู่นอกทางให้มันอยู่ในทางที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับจิตนี้ถ้าเกิดเวลามันจะออกนอกลู่นอกทางถ้าไม่มีเบรกหยุดมันมันก็จะหยุดไม่ได้เน้นไปดูจิตตอนที่ยังไม่มีสติหยุดจิตได้ก็ดูไปก็เสียเวลาเน้นตอนต้นต้องหัด ห, หยุดจิตให้ได้ก่อนถ้าค่อยถึงมาดูจิตนวิธีจะหยุดจิตก็ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือจะอยู่กับร่างกายก็ผูกใจคู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับร่างกายอย่างเดียวร่างกายกําลัางเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายกําลังกินก็กินไปกับร่างกายอย่าไม่ใช่กินไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติ ถ้าจะให้มีสติต้องอยู่กับเรื่องเดียวไม่คิดอะไรถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้เน้นพอหยุดความคิดได้ที่นี้เราก็คอยดูจิตคอยดูว่ามันจะคิดไปทางไหนถ้ามันจะคิดไปทางกิเลสก็หยุดมันถ้ามันโลภก็หยุดมันถ้ามันโกรธก็หยุดมันถ้ามันอยากก็หยุดมันเพราะมไม่ดีไม่เพราะถ้าปล่อยมันไปแล้วมันจะทาให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจแตถ้าเราหยุดมันไม่ได้ เดี๋ยวมันก็จะเรียกมันก็จะดึงเราไปให้เราไปทำแล้วเราต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทีหลังเพราะเราดูจิตแต่เราไม่เราไม่หยุดจิตการดูจิตนี้เพื่อหยุดจิตหยุดจิตไม่ให้ไปทำในเรื่องที่จะเกิดความเสียหายขึ้นมาคําถามข้อต่อไปครับจากจากบนขาวครับการละสังโยชตเพื่อให้ได้โสดาบันของคารวะขั้นต่ำสามข้อต้องเน้นตรงไหน และต้องเริ่มปฏิบัติอย่างไรก็เนื้นที่ส ก, กายาทิฏฐิเนี่ยเน้นอย่างที่เมื่อกี้ตอบคําถามสองคำถามแรกเนี่ยคำถามคำถามแรกก็ถามว่าเวลาจิตสงบแล้วให้ทํำยังไงเอไม่ก้าวหน้าอก็ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยากจะควบคุมบังคับมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ เวลาที่ควบคุมไม่ได้ใคเวลาเจ็บจะไปสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายเวลาจะตายไปสั่งไม่ให้มันตายก็ไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วพอแล้วเราก็ไปทดสอบดูว่าเราเราหยุดใจเราได้ไหมหยุดความอยากไม่เจ็บได้ไหมหยุดความอยากไม่ตายได้ไหมถ้าเราหยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้เราก็เป็นโสดาบันไดลาละสกายทิฏฐิเพราะเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะแก่ก็ต้องแก่มันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะตายก็ต้องตายเราก็ต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้เราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะเป็นโสดาบันได้จะจ ะ, จะยอมได้ก็ต้องมีสติหยุดความความไม่ยอมให้ได้ ตอนนี้เราไม่ยอมตายกันใช่ไหมไม่ยอมเจ็บกันเนี่ยเราต้องใช้สติหยุดมันมึงไม่ยอมกูจะหยุดพุทด้วยพุทโธพุทโธไปเวลาเจ็บนะี่ยมันอยากจะให้หายแล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความอยากความไม่ยอมเจ็บได้เวลาไม่ยอมตายก็พุทโธพุทโธไปเช่นคนเวลาจะตกขครื่องบินนี้สวดมนกันเนี่ยวายพระกันก็เพื่อจะหยุดหยุดความกลัวกัน เวลาสวดอยู่กับการสวดมนต์มันก็จะหยุดความอยากไม่ตายได้เพราะอยากไม่ตายได้มันก็ไม่ทุกข์มันก็จะหลุดพ้นจากความกลัวความเจ็บกลัวความตายได้ก็เป็นโสดาบันได้ท่านข้อต่อไปจากทางอินบลครับอยากถามเรื่องวิธีลดอัตราเจ้าคะ่ะทำอย่างไรครับก็ทำตัวเป็นแจ้าทาตัวเป็นผ้าขี้ริ้วทำตัวเป็นลูกจ้าง อย่าทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเราก็เป็นแค่ปัตภีเป็นแผ่นดินใครจะเหยียบก็ได้ใครจะดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำอย่างไรก็ได้ต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เป็นการลดอัดตราตัวตนคำถามทอดต่ อ, อไปจากทาง Facebook Live ครับจากคุณกันธิกาครับขอพระอาจารย์แนะนำข้อธในการทำงานเพื่อปฏิบัติตนกับเจ้านายและลูกน้องเจ้าค่ะ ก็อย่างที่บอกเนี่ยทําตัวให้เราเป็นแจ๋วไว้แล้วจะอยู่กับเจ้านายกับลูกน้องได้เจ้านายด่าเราก็ยอมรับว่าเราเป็นแจ๋วลูกน้องเราก็ไม่ไปเถอว่าเราเราใหญ่กว่ามันเราต่ํากว่ามันเราก็จะไม่ไปใช้อํานาจ บ, บาดใหญ่กับมันเราก็จะพูดกับมันดีๆจะใช้มันก็พูดกับมันดีๆเ อ, อ้าน้องช่วยทําว่นนี่ให้หน่อยได้ไหมอย่างนี้ถ้าเราทําตัวเราต่ํา ต, ต้อยแล้วเราจะอยู่กับคนได้ทุกชนิด ใหญ่กว่าเราก็อยู่ได้ตามกว่าเราก็อยู่ได้จะไม่มีใครรังเกียจเราคนที่รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็ น, เ ป, นเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะจะทําให้เราอยู่กับคนได้ทุกคนเราไม่รู้สึกวุ่นวายใจเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาเคารพเราอยากให้เขาไม่ดูถูกเราเราพร้อมรับได้ทั้งหมดเคารพเราก็ได้ ดูถูกเราก็ได้เพราะเราเป็นแจวอยู่แล้วเราเป็นคนใช้อยู่แล้วเขาจะเคารพเราก็เรื่องของเขาเขาจะดูดูถูกเราก็เรื่องของเขาเราเป็นแจวไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรคำถามต่อไปจากคุณคณิ t h าครับการที่เราจะดําเนินชีวิตให้อย่างเป็นสุขจะต้องดับทุกข์ที่เราเจอใช่ไหมคะต้องดับความอยากทุกที่เราเจอนี้มันมันเกิดจากความอยากของเราอย่าไปดับคนที่ทําให้เราทุกข์ เพราะเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุที่แท้จริงก็ เ, เป็นเพียงผูก้กระตุ้นตัวเหตุเช่นคนเราไปเจอคนแล้วเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็จะไปทําให้เราหายทุกข์ด้วยการไปตีหัวเขานี่มันไม่หายหรอกต้องต้องมาตีที่ใจความอยากของเราที่อยากให้เขาพูดดีกับเราแล้วเขาไม่พูดดีกับเราตัด คายตัวความอยากให้เขาพูดดีปล่อยให้เขาเขาอยากจะพูดยังไงก็พูดไปเขาอยากจะทำยังไงก็ปล่อยเขาทำไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำํามต่อไปจากคุณปาล์มครับเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้เช่นขับรถและฟังเพลงในเวลาเดียวกันแต่หลังจากเริ่มกลับมาฝึกสมาธิอีกครั้งรวมถึงรวมถึงพุโทโธมีสติรู้ในอริยบทต่างๆทั้งวันพบว่า ตอนนี้เวลาขับรถเสียงเพลงมันหายไปหรือเวลาฟังธรรมแล้วหันไปมองสิ่งอื่นเสียงธรรมจะดับไปอย่างนี้เกิดจากอะไรคะเพราะสติไม่ไวหรอคะเมตตาด้วยคะ่ะไม่หรอกเพราะเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพลงเรื่องเดียวเราไม่วิ่งไปวิ่งมาถ้าเราอยู่กับการขับรถเราก็ไม่เป็นสนใจกับเสียงเพลงมันก็เลยไม่ได้ยินมันแสดงว่าเรามีสติใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนใจไม่มีสติมันวิ่งไปวิ่งมาขับรถปั๊บแล้วก็ไปฟังเพลงปั๊บแล้วกลับมาขับรถขับไปขับมาใจมันต้องหมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดเวลาจึ่งเหมือนว่าเราทําหลายอย่างได้พร้อมๆกันแต่ความจริงเราหันซ้ายหันขวาไปเรื่อยๆตอนที่เราหันซ้ายเราก็จะมองไม่เห็นทางขวาแล้วเช่นเรามาสนใจฟังเพลงเดี๋ยวรถตัดหน้าเราก็อาจจะอแก้หยุดไม่ทันก็ได้คําถามต่อไปจากคุณสันพบครับ ในกรณีที่วิบากขันกําลังให้ผลเราอย่างมากนั้นมีวิธีในการดึงสติให้อยู่กับเราอย่างไรดีครับก็ถ้าเราเกคยใช้พุโทโธก็พุโทโธไปใช้บทสวดนต์ได้ก็สวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงวิบากกรรมที่กําลังเกิดขึ้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปคิดว่าเป็นเหมือนฝนตก เหนือพายุมาพายุมาเราไปหยุดพายุไม่ได้เราต้องหาที่หลบพายุที่หลบพายุของใจก็คือสติเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปคําถามต่อไปจากคุณศักชัยครับผมฟังธรรมของพระอาจารย์และนั่งสมาธิโดยการฟังเป็นการภาวนาในใจอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเรานั่งแบบไหนทางเรานั่งเราดูลมหายใจเราก็ไม่ต้องฟังธรรม เพราะถ้าฟังธรรมด้วยดูลมหายใจด้วยมันจะทำให้ใจเราเป็นสองไม่เป็นหนึ่งต้องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวถ้าจะฟังธรรมเพื่อทำให้ใจสงบก็ฟังธรรมไม่ต้องดูลมฟังเสียงไปเรื่อยให้อยู่กับเสียงไปอย่างเดียวอย่ถ้าจะดูลมด้วยพุทโธด้วยหรือฟังธรรมไปด้วยมันจะสับสนมันจะปนกันนั่นมันจะไม่สงบงั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็อย่าไปฟังธรรมปิดธรรมซ แล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปดูลมหายใจไปแต่ถ้าเราอยากจะใช้เสียงทำเป็นเครื่องกล่อมใจแทนพุโทโธแทนลมหายใจก็ได้ล้วก็ฟังทำไปแต่อย่าไปดูลมอย่าไปพุโทโธพร้อมๆกันคำถามต่อไปจากคุณพีโกครับเรียนถามพระอาจารย์ร่างกายที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ว่าการพูดกินเคลื่อนไหวจิตควรรู้ว่ามันคือขันห้ามารวมกัน หรือคือธาตุสีมารวมกันครับพอนร่างกายเป็นธาตุสีขันขันขันสีนี้มันอยู่ในใจมันเป็นตัวใช้ร่างกายาทำอะไรต่างๆอยากเาถามสุดท้ายนะหมดเวลาแนละ้วคาถามสุดท้ายครับจากคุณพัฒนันครับการบริการพุทโทรบริการรัวๆเร็วๆหน่อยได้ไหมครับ หรือว่าควรบริกรรมช้าช้าลากยาวๆแล้วแต่ความสงบแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่วาวละของจิตบางวลาต้องรัวเร็วเพราะมันฟุ้งมากก็เร็วหน่อยบางเวลามันไม่ฟุง้งมันก็สบายๆแล้วก็ไปแบบสบายๆเหมือนขับรถต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ถ้ารถมันวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่าถ้ารถมันวิ่งเร็วก็เปลี่ยนเกียร์สูงถ้าจิตสงบก็ช้าหน่อยก็ได้ ถ้าจิตมันฟุ้งก็ให้มันเร็วหน่อยสู้กับมันไปตามวาระตามความพอใจเอาแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน